ต่อเ น, นี้ไปพึงพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาตามระเบียบที่เคยทำมาธรรมดาผู้ที่ตื่นตัวอยู่ระย่อมประกอบความเพียร ผู้ไม่ตื่นตัวหลับไหลโยก็เห็นแต่ความหลับความนอนไม่ปราถนาที่จะฝึกตนผู้ตื่นตัวหมาความว่าตนจะต้องแก่ต้องเก็บต้องตายจากโลกนี้จ ะ, จะอยู่ในโลกนี้ไปตลอดไม่ได้เลย ทีนี้เมื่อจากโลกนี้ไปตนไม่ฝึกตนให้ดีไปข้างหน้าก็จะประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะไม่ชำระกิเลสออกจากกิจใจกีเรสนี่แหละแต่งความทุกข์ความเดือดร้อนให้ผู้ ตื่นตัวก็ยอมนึกเห็นอย่างนี้คิดเห็นอย่างนี้ผู้ไม่ตื่นตัวก็ไม่กลัวต่อความทุกข์ดังกล่าวมานั้นเท่ต่ว่ายอมทุกข์ก็ยอมอยากลำบากก็ยอมอันคนที่ ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอาวิชชาก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยดังนั้นเราผู้ที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแล้วก็ยังจะไปหลับไปไหลอยู่อย่างนั้ น, นไม่สมควรเลยพเพราะพระพุทธเจ้า มบัตรทั้งหลายที่มาตัสรู้ในโลกนี้ล้วนแต่พระองค์ถึงปรารภห้องความเกิดความเก่ความเามจ็บความตายของขันห้านี้เองแหละทุกพระองค์แหละให้พึ่งพากันเข้าใจก็เพราะเหตุว่า การเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรการเที่ยวมาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้มันเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์คือความมุ่งหมายของจิตใจนี้ก็ต้องการให้มีความสุข อยู่ตลอดอนันตกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปหมายความว่าไม่ต้องการอยากให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ซ้ำซากเพราะมันเป็นทุกข์แต่ว่าจิตบางดวงหรือบางคน เมื่อมันยังมากไปด้วยราคะตัณหาความเพลิดเพลินมัวเมาและอวิชชาครอบคลามด้วยไม่รู้จากทุกไม่รู้จักเหตุแต่เกิดทุกมันก็ไม่พอใจที่จะหนีจากโลกนี้เลยจะพูดถึงพระนิพพานแล้วยิ่งแล้วหญ่ พาอไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไร น, นี่คนมันติดอยู่ในรูปร่างอันนี้อย่างว่าจิตใจของคนเรานี่นะพอบุญกุศลตกแต่งให้มีความสุขกายสบายใจนินดๆหน่อยๆเท่านี้แล้วก็พอใจแล้วนี้ ดีแล้วได้ปันนี้ได้ความสุขอย่างนี้กันัะว่า ด, ดีนี่ธรรมดาผู้ไม่ตื่นตัวผู้ไม่เห็นความไม่เที่ยงของโลกสงสารอันนี้มันก็ต้องพอใจอยู่ในความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานี้อ้ธรรมะอันนี้ มันไม่ใช่ตื่นๆตน่ะมันลึกซึ้งดังนั้นพิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตใจมันหัวขันห้านี่มันไม่อยากให้มันไม่อยากพลากจากขันห้านี่แม้ว่าขันห้านี่มันจะแตกดับไปมันก็ต้องการอยากไปอาศัยขันห้าอื่น อยู่ต่อไปอีกเป็นอย่างนี้ล้าไปอย่างนี้นะอิจิตี่ไม่ตื่นตัวมันเป็นอย่างนั้นผู้ตื่นตัวแล้วมันเห็นว่าทนได้ยากลำบากมาใสในขันห้านี้มาหักอาศัยอยู่ใน สิ่งสโสครอกสุกภพกอีกด้วยทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากด้วยทั้งมาอยู่ในบังคับบัญชาของตนตนตนไม่สามารถจะบังคับร่างกายนี้ให้เป็นไปตามใจหวังได้ต้องพิจารณาให้รอบครอบหลายอย่าง กลัวว่าจิตใจนี่มันจะเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายในสังขาร น, นามรูปอันนี้ได้อคิดดูให้ดีไม่ใช่ทำตื้นๆ น, นะมันลึกซึ้งขับผู้ดใดเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายนี่แล้วก็จะโน้มใจ ไปต่อพระนิพพานพระนิพพานเป็นทรรมอันสงบระงับด้วยดีนี่แหละการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทาสมาธิภาวนาก็เพื่อน้อมน่าจิตใจนี่ให้ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆ เ, เป็นอย่างนั้น ถ้าผู้ใดไม่สนใจภาวนาทําความสงบใจแล้วก็ยังห่างไกลต่อพันิชพานอยู่มากดังนั้นผู้ใดยังสงสัยเรื่องพันิชพานอยู่ก็ให้ทําใจสงบลงไปเมื่อทําใจสงบลงไปได้แล้วก็จะได้รู้จักว่าอ๋อ oh, ทางเข้าสู่พระนิพพานเข้าทางนี้ก็รู้ได้ตัวตนเองไม่ใช่เข้าสู่พระนิพพานโดยทางอื่นหาไม่ได้แม้จะถือว่าอาศัยปัญญาเท่านั้นละกิเลสขาดจากสันดานจึงเข้าสู่พระนิพพานได้ จิงโยอันนั้นนะถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ตั้งมั่นแล้วปัญญาก็ไม่เกิดไม่มีอุบายจะสอนจิตใจอันนี้ให้พงให้วางขันธ์ห้านี้ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจว่าต้อง การทำใจให้สงบเป็นสมาธินี่นะว่าเป็นบทบาทอันสำคัญของบุคคลผู้ที่เบื่อทุกในวตาสงสารอันนี้ต้องการอยากจะหนีจากทุกเหล่านี้แล้วก่อนอื่นมันต้องทำใจให้สงบนั่นแหละก็เคย พูดมาแล้วทำสามอย่างมันสัมพันธ์กัน้าดศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งไม่ได้้าสมาธิไม่ตั้งปัญญาก็เกิดไม่ได้มันอาศัยกันสมาธินี่เดีย ว, ว่าอยู่ในท่ามกลางศีลก็ดีปัญญาก็ดี ก็ร่นแต่มาอบรมจิตนี้ให้ปรงให้วางขันห้านี้นั่นเพรพอจิตนี้เมื่อปัญญาอบรมเข้าไปแล้วเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปรงก็วางลงได้เบี่ยงเงินเพราะว่ามองดู ส่วนในไหนของร่างกายนี่มันก็ไม่มีอะไรเป็นของยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของตนของตัวไม่มีเลยแถมยังเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็จิตดวงนี้มาอาศัยอยู่นี่มันถึงได้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่ทุกข์จิตที่อาศัยอยู่ในนี้นะ อันนี้เป็นธรรมของจริงแท้ๆเลยไม่มีผิดอ่ะอ น, นี่เป็นอุบายที่จะออกจากทุกข์อุบายที่จะตัดทอนความเกิดแก่จิตายให้สั้นเข้าไปโดยลำดับดังนั้นทุกคนคอยพากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเอง ถ้าไม่รู้ไม่เห็นโดยตนเองแล้วมันจะไม่พยายามอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเนื่องจากว่ามันมีความสุขทั่วขราวเป็นเหยื่อรออยู่มันความสุขอันนี้มันกระละเอียดเข้าไปัว ก, กันความสุขอย่างงาบเช่น มีเงินมีทองมากมากสนุกใจสนุกใจร่างกายก็ไม่มีโรคไขเบียดเบียนกินก็ได้นอนก็หลับดีอันนี้ยิ่งเป็นเหยื่อรล่ อ, ลอสำคัญมากเลยอย hmm. ่า น, นีได้รับประทานอาหารอิ่มดีพิว ม, มันได้นอนหลับสนิทดี แล้วอย่างนี้ถือว่าตนมีความสุขสบายมีเงินใช้จ่ายตามต้องการแล้วอย่างนี้นะจะถือว่าตนมีความสุขแล้วก็เพลินไปตามความสุขนั้ น, น, นหาได้นึกถึงไม่ว่าความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขชั่วคราวของเงินหมด ความสุขก็หมดไปตามกันพอร่างกายนี้มันโรคภัยเบียดเบียนความสุขมันก็หายไปจากร่างกายนี้จิตใจอันนี้เมื่อมันผิดหวังดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอีกแล้วอเมื่อได้ อาศัยอยู่ในร่างกายนี้นึกว่ามันจะไม่วิบัติแต่ผันง่ายอย่างนี้พอมันวิบัติแต่ผันเข้าไปกระทบกระทั่งเข้าไปแล้วจึงได้รู้ตัวว่าไม่เคยนึกเคยคิดมาก่อนว่าโรคภัยไข้เจ็บจะร้ายแรงถึงปานนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็มีแต่ความถูก ทุกความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆอื่นนั้นเนอืยไม่มีใจกล้าหาญที่จะอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาที่เคยขึ้นในกายในจิตนั้นไม่คิดที่จะทำความรู้เท่าทุกเหล่านั้นอพีมีแต่ปล่อยให้ทุกครอบกรรมจิตกระดินลนไปตาม กระแสแห่งความทุกข์นั้นในการที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้เบื่อหน่ายต่อความทุกข์ในโลกนี้แม้จะไปโลกอื่นมีความสุขยิ่งกว่าโลกนี้มันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นั่นเองแหละ ขึ้นเชื่อว่ามีขันห้าอันนี้อยู่แล้วจะไปเกิดอยู่ในภพไหนชาติไหนมันก็ไม่เที่ยงอยู่นะ้วเนี่ยแต่ถ้าว่ามันมีทุกข์น้อยกว่าโลกมนุษย์อันนี้เช่นอย่างสวรรค์อย่างนี้นะมันมีทุกข์น้อยกว่าโลกมนุษย์นี้ส่วนมากก็มีความสุข เทวดาตนไหนจะเป็นมนุษย์ไม่ได้ภาวนาได้ยินดีขึ้นชมแต่ผลทานผลสินของตนเท่านั้นตายแล้วไปเกิดสวรรค์เห็นที่ผสมบัติอันมโหฬารละเอียดสวยงามอย่างนั้นก็ติดก็พอใจอยู่ล่าเริงบันเทิงโย่นึ ก, กว่าตนจะไม่ตายเลย เทวดาไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหมดท้าไม่ได้เพราะทั้งแต่เป็นมนุษย์นี่การสั่งสมบุญกุศลมันก็แตกต่างกันไปบางคนก็นยินดีแต่ให้ทานกับรักษาศีลเท่านั้นเรื่องฟังธรรมเรื่องภาวนาไม่สอน เช่นนี้แล้วแล้วก็ประกอบกด้วยมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็รทำประสงค์เป็นอารมณ์เท่านี้นะเมื่อตายจากครกนี้ไปเกิดสวรรค์แล้วมันก็เมาแล้วกว่านี้นะเมาอยู่ในความสุขสมบัติอันเป็นทิพนั้นสำหรับผู้ใดตั้งแต่เป็นมนุษย์ได้ภาคเรียนพยายามฝึกฝนคจิตใจ อันนี้ให้สงบระ ง, งับแม้ว่าจะสงบระ ง, งับละเอียดละออนไม่ได้ก็ต า, ามก็ขอให้ทำความเพียรให้มันสงบจากเรื่องภายนอกต่างๆให้มันได้เดือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น ในสังขาร น, นามรูปที่ตนอาศัยอยู่นี่มันสบายอยู่ตลอดไปหรือมันเป็นทุกข์มากกว่าสุขงนี่ก็ต้องพิจารณาดูนะถ้าพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสแล้วมันก็ต้องลงความเห็นว่ามันมีทุกข์แหละมากกวัวสุกข การที่อาศัยอยู่ในขันห้าอันนี้เพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะร่างกายนี่มันไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลามันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตอยู่อย่างนั้นท่างแต่ว่ามันแปรปรวนน้อยแปรปรวนมากฉะนั้นเองบางคราวมันก็แปรปรวนน้อย กะแทบจะไม่รู้สึกก็มีในทางขิตใจนั่นนะ่ะอ่นั้นนะ่ะถึงได้เข้าใจว่าไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนบางคราวก็กระทบกระทั่งมากอย่างแรงโรคภัยมันเบียดเบียนอย่างแรงมันก็ทำให้เกิดทุกข์ทนได้ยากลำบาก มากก็เมื่อเป็นเช่นนีนะ้ใครจะไปยินดีพอใจอยู่ในานามในรูปอันนี้อันเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้นรู้อยู่อย่างนีน้แต่ส่วนมากมันมองไม่เห็นอย่างว่านี้นะมันมีเหยื่อล่อคือกรามคุณทังห้ารูปอันสวยๆงามๆ เสียงอันไพเราะเพาะพิ้งกลิ่นอันหอมหวนรสอาหารอันเลิศสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มตั้งต่างมูนี้นะนี่แต่เป็นเหยื่อรอให้จิตติดอยู่ในโลกสงสารอันนี้คนจากโลกนี้ไปไม่ได้ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรหลงเหยื่อล่อแห่งกามคุณดังกล่าวมานั้นแม้ถึงแม้มันจะให้ความสุขก็ความสุขชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนอะไรเลยดังนั้นจึงไม่ควรติดเอาเสียจนถอนตัวไม่ออก ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นเพศหรือเป็นความเป็นอยู่ที่ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปถ้าจิตใจเป็นไปอย่างว่านี้นะถ้าจิตใจมันฉลาดมันมองเห็นธาตุสีข่ขันธานี้ไม่กิดังยั่งยืนอะไรเลย แม้จะเกิดไปพบใจชาติใดก็ตามขึ้นเชื่อว่ามีรูปกับน้ำอันนี้แล้วนั้นที่เที่ยงยัง่งยืนไม่มีลายดังนั้นบุคคลจึงไม่ควรประมาทผู้ใดประมาทไม่พิจารณาเมื่อความวิบัติแห่งขันห้านี้บางเกิดขึ้น ก็ย่อมตก อ, อกตกใจย่อมวุ่นวายเดือดร้อนมากพู้เชนนั้นแหละเมื่อเวลาจวนจะตายไม่มีสติควบคุมจิตได้เลยเพราะว่าจิตตัานวนไว้ไปตามแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นจึงไม่มีแก่ใจไม่มีสติที่จะควบคุมจิตใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ดังนั้นการที่จิตใจมัจะตั้งมั่นในเวลาเจ็บหนักลงเช่นนั้นได้ก็เพราะเวลาปกติอยู่นี่ก็เป็นผู้ฝึ ก, กจิตใจให้ตั้งมั่นต่อสู้กับความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นจากธาตุตีขาน้านี่ ต่อโท้กับกิเลสตัณหานานาประการไม่ย่อท้ อ, เ, อเพียนรากกิเลสออกกักกิจใจให้มันน้อยเบาวางไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันกันกบเพียนพยายามสอนใจให้รู้เท่าทุกข์ตามธรรมดาเมื่อเวลาร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ จนได้ยากลำบากมาก็ซ้อนจิตนี่มาให้มันทุกข์มันร้อนไปตามขันหานั่นนี่ก็ก็ต้องมีความเพียรอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าขันหานี่มันบังคับไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์มันก็บังคับไม่ได้มันเจ็บมันปวดมันร้อนหนาวขึ้นมา เราจะบังคับไม่ให้มันเจ็บมันปวดไม่ให้มันร้อนไม่ให้มันหนาวอย่าง น, นี้ไม่ได้เลยมันมันเป็นไปตามใจหวังไม่ได้นี่แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านเบื่อเพราะเหตุนี้เองเนี่ยเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามใจหวังนี่นะลกูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ อันนี้แหละเพิ่มเมื่อที่เราจะรู้จักคิตว่าจิตนั้นไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ใช่จิตได้ก็ต่อเมื่อเราภาวนาปรงวางขันธ์ห้านี้ลงไปแล้วก็เห็นจิตสงบนิ่งอยู่โดยลำพังไม่อาศัยสิ่งใดก็อยู่ได้ แค่นี้จึงได้รู้จักจิตตัวเองในะบ่อนี้นะอ๋อจิตนี่เป็นอย่างนี้เมื่อมันปองมันวางอะไรต่ออะไรในขันหน้านี่หมดแล้วมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรมันก็รู้เองอะ่ะมันก็มีที่พึ่งอยู่แล้วคือสัจธรมรมทำของจริงนั่นเอง เ, เนี่ยที่พึ่งของจิตใจอยู่บ่อนี้จิตไม่พึ่งขันหน้าแล้ว ในขณะนั้นน่ะในขณะที่ปรงที่วางลงไปนั่นดังนั้นถึงได้รู้แจ้งว่าโอ้ความเป็นผู้ที่รู้ว่าจิตนั้นตางหากขันห้าต่างหากอันนี้นะ่มันถึงไม่เป็นทุกข์จิตนี้นะ่ะ ก็เมื่อหันห้ามต่างหากแล้วก็รู้แจ้งว่าก็ไม่ใช่ของเราเลยขันห้านี่รูปเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็หมายเอาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายนี่ท่านเรียกว่ารูปเดียยว่าพูดคำรวมคำว่ารูปนี่นะ กวหมายเอาอัตภาพร่างกายทุกส่วนนี้เองเวทนาก็หมายเอาจิตเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างจิตเสวยอารมณ์จากสัมผัสจากความกระทบกระทั่งกับร่างกายเมื่อร่างกายไม่เที่ยงขีดก็รับรู้ ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแล้วไม่หวั่นไหวเพราะมันถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วทุกขเวทนาก็ดีก็ไม่ใช่ของเร า, าถึงไม่หวั่นไหวสัญญาความจำสุขจำทุกข์จำดีจำชั่วต่างๆมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส โมนี่จำแล้วกว็าหายไปแล้วไปสังขารคือความคิดความปรุงแต่งของจิตใจอันนี้มันก็ไม่เที่ยงความคิดนี่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปลองสังเกตดูให้ดีสังเกตความคิดของตัวเองนี่นะคิดแล้วมันมีมันเที่ยงมันเป็นรูปเป็นร่างออก มาให้เห็นเหลืออย่างนี้นะมันก็รู้ได้ว่าไม่ใช่ความคิดมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยมีแต่เกิดแล้วดับไปเท่านั้นเองวิญญาณอนะ่ะวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจ มูลนี้ก็เหมือนกันนะมีแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นเองไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงยั่งยืนได้บรรดาความรู้ทางตาเป็นต้นเหล่านี้นะก็เมื่อทานี่มันวิบัติแปรปวนไปแล้วจิตวิญญาณก็อยู่อาศัยไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไป หูก็เหมือนกันนลยแก้วหูแตกแล้วจิตวิญญาณอาศัยอยู่ในหูนี่ไม่ได้ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนั่นแหละจมูกถ้ามันวิบัติแปลปวนลงไปแล้วสูดกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมอะไรก็ไม่รู้เลยอืม ลิน้นเมื่อมันวิบาตลงไปแล้วรับประทานอาหารอะไรก็ไม่รู้รสซ้ำนั่นแหละคนเจ็บคนป่วยนั่นะ ห, หนักเข้าไปแล้วไม่อยากอาหารไม่อยากก็เพราะเหตุว่าเมื่อเอาอาหารไปแตะกับลิน้นเข้าไปเท่านั้นเ่งมันไม่รู้จักรสอะไแล้วเบื่อมานนี่ เพราะว่าเมื่อมันไม่รู้จักรถแล้วมันเบื่อแนละ้วมันไม่ดูดื่มมันไม่อยากเที่ยวไม่อยากกลืนไปเลยอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุท่เจ้ายังสอนให้เราไม่อย่าไปตกเป็นทาตแห่งคิวหานั่นแหละเมื่อมันยังไม่มบัติแต่ปวน เอาอาหารอะไรเข้าไปจะปากก็รู้สึกว่ามีรสอร่อยดีอย่างนี้อคั้งเมื่อนวิบัติมาแล้วมันไม่อร่อยซะแล้วก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยอยู่เรื่อยไปนะทานอาหารนี่รับประทานอาหารนี่ร่างกายทุกส่วน วิญญาณก็อาศัยอยู่หมดเว้นเสียตั้งแต่เล็บมือปรากฏว่าเล็บมือเล็บเท้าเมื่อยาวออกมาแล้วเอามีดตัดเล็บตัดเข้าไปมันก็ยังไม่เจ็บนนแสดงว่าวิญญาณไม่ได้ไปอาศัยอยู่แต่ว่ามันก็ยังรู้จัก งอกขึ้นมาได้อืมมันยังสามารถงอกขึ้นมาได้เล็บเหล่านี้นะอ น, นอกนากนั้นแล้ววิญญาณแทรกเข้าไปอาศัยอยู่มัดเลยอืมดังนั้นเมื่อวิญญาณอาศัยรูปอันนี้อยู่หากว่ารูปอันนี้มันไม่เที่ยงวิญญาณก็อาศัยอยู่ไม่ได้ ต้องพิจารณาให้ละเอียดลงไปอย่างนั้นมเมื่อรูปนี้วิบัติแปลพวนไปวิ ญ, ญญาณความรู้สึก น, นี้มันก็แปลไปตามเช่นอย่างว่าเจ็บตรงโน่นปวดตรงนี้ก็เพราะวิ ญ, ญญาณนั่นแหละมันรู้เมื่อวิ ญ, ญญาณมันรู้อย่างนั้นแล้วมันก็ส่งกระแสไปหาจิต จิตก็รู้ว่าเจ็บปวดอะไรอย่างนี้นะต้องเพ่งพิจารณาให้มันรู้มันเห็นละเอียดลออลแล้วอลงไปแล้วจิตใจนี่มันก็จะบรรเทาทุกข์ได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนใอยถือว่าเป็นวิญญาณ ตัางหากที่มันรู้จักเจ็บรู้จักปวดอยู่ในอวัยวะร่างกายอันนี้นะ่ะเมื่ออวัยวะร่างกายส่วนไหนมันใช้ไม่ได้แล้วธาตุสี่ไม่พองรองสามัคคีกันแล้วอวิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องถอนตัวออกไปอความรู้สึกตรงนั้นก็ไม่มีบะนี้นั่นแหละ เหมือนยังคนใกล้จะตายอย่างนี้นะเมื่อร่างกายส่วนใดมันมันไม่ปองรองสา ม, มคัคคีกันแล้วเช่นชาติไฟเมื่อก็ดับลงขาดลมก็ดับลงอย่างนี้นะวิญญาณอาศัยอยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอืมเวลาคนใกล้จะตายมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย เหตุนั้นจึงว่าวิญญาณก็อาศัยรูปอันนี้ถ้ารูปอันนี้พิบั ต, ติใจพวนไปแล้ววิญญาณก็ดับมันเป็นอย่างนั้นันก็ดับเข้ามาโดยลำดับลำ ด, ดับความรู้สึกอันนั้นนะจนมาถึงท่ามกลางอกอันเป็นที่อาศัยของดวงจิตนี้ เมื่อหาไทยวัตถุอันเป็นที่อาศัยของจิตนี้มันวิบัติแปรปวนไปเต็มที่แล้วจิตนี่ก็อาศัยอยู่หาไทยวัตถุอันนี้ไม่ได้ก็จึงได้ถอนตัวออกไปเราเรียกว่าตายความรู้สึกในกายนี้ก็หมดสิ้นลงแล้ววนันี้เหมือนกับท่อนกล้วยเที่ยเขาตัดทิ้งไว้บนดิน พระสาสดาทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็นับว่ า, เ, าเป็นความจริงทีเดียวนะเนี่ยนักปฏิบัตินักภาวนาต้องพิจารณาความตายให้ลงถึงความจริงให้ได้อย่างนี้แล้วมันก็จะไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะไม่มีอะไรตาย มีแต่ธาตุสี่ขันธ์นี่มันวิบัตบแปรปรวนไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตายมันก็เห็นลงไปอย่างนั้นนะบารีเมื่อเห็นลงไปว่าไม่มีเราไม่มีเขาตายอย่างนี้จิตนี้มันก็ไม่เดือดร้อนแล้วบานีไม่อะไรหมายเขาว่าก็ามันไม่มีของเราอยู่ในนี้นี่ ในานามในรูปหรือในขันธ้านี่ของเราน้อยหนึ่งก็ไม่มีมันรู้แจ้งกา ร, รมเป็นจริงอย่างนี้นะนั่นะถึงไม่เป็นทุกข์แล้บวันนี้นะบุคคลพวกนั้นจึงมีสติเต็มที่เลยแต่ว่าเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่บัรลุภนิพานเลยนะคิดดูแต่พระโสดาบันนะถ้าก็เห็นอย่างนี้แหละ แล้วก็ยังบรรลุถึงขาริพานยังไม่ได้ก็ไปเกิดสวรรค์ก่อนอมเมื่ออินทรีแก่กล้าเข้าไปเทวเกิดเทียวตายอยู่สามชาติหรือเจ็ชาติแล้วอินทรีบา ร, รมีแก่เต็มที่แล้วไม่เลยนั่นไปหละพระโสดาบันฉนะันก็ปงขันหน้าวางขันหน้านี้ได้เด็ดขาดเข้าสู่พังขริพานไป อย่างนั้นดังนั้นแหละอย่าอย่ากลัวว่าผรงว่าวางแล้วจะได้นิพพานเลยไม่ใช่แล้วเมื่ออินทรียบรมียังไม่แก่ยังไม่เต็มรอบตราบใดแล้วอย่างก่อนอยังปรงขันหน้าวางขันหน้านี้เด็ดขาดตลอดไปยังไม่ได้ คงได้วางได้โดยเอกเทศเอาโดยเอกเทศก็เอาอนอเพราะอินทรียบารมียังไม่แกะกล้าเราจะปงทีเดียวให้มันหลุดไปได้เลยอย่างนี้มันยังไม่ได้จึงก็ต้องภาคเพียนพยายามไปเรื่อยไป จนกลัวอินทรบารมีมันจะแก่กล้าเต็มที่เลยเมื่อ น, นั่นแหละจิตมันจะรวมลงเต็มที่แบบนี้นะการบรรลุมรคมวิเศษนั้นชั่วขณะจิตเดียวหนึ่งนะไม่ใช่ว่าน้มนานอะไรเนี่ยพอจิตรวมลงไปขณะนั้นแล้ว มันก็ตัดกระแสะของสังโยชน์ขาดออกไปเลยคราวนี้พอรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ก็กำหนดรู้ได้ว่ากิเลสประเภทนั่นเราละมันขาดแล้ว อ, อย่างนี้นะก็รู้ได้ด้วยตนเองนะถ้ารู้ไม่ได้ด้วยตนเองเนี่ยยังชื่อว่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไร อย่างนั้นยังลังเลสงสัยอยู่ว่าตนนั้นบนรรลุแล้วหรื อ, อยังห น, นอคล้ายๆกับว่าบางทีก็บรรลุแล้วบางทีมันยังรู้ว่ายังไม่ได้บรรลุถ้าสงสัยลังเลอย่างนั้นยังไม่ได้บรรลุนั่นเองแต่เมื่อบรรลุจริงๆเนี่ยมันเกิดญาณความรู้ขึ้นมาบอก ชัดเจนเลยชัดเจนว่าหลุดพ้นจากกิเลสประเภทนี้แล้วหรือว่าท่านผู้หลุดพ้นกิเลสโดยประการต่างๆ ก, ก็รู้ชัดด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องไปถามมู่อื่นแล้วทำของจริงนะ่ะเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วมันก็รู้เองขึ้นมาเลยเป็นอย่างนั้น แล้วธรรมธรรมชาติเหล่านี้เพื่อมนุษย์เองขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ต้องการไปอวดไปอ้างใครมันถ้าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นถ้ายังไปอวดไปอ้างผู้อื่นอยู่ก็ยังชื่อว่าไม่ได้บรรลุไปอย่างนั้นดังนั้นเน่ย พระอาหารหันต์บางองค์ตั้งแต่ขั้พุทธเจ้านี่นะเมื่อท่านได้บรรลุแล้วท่านก็ไม่แสดงอาการอ ะ, อะไรต่ออะไรให้คนรู้ว่าท่านบนรรลุมาขนแล้วท่านเคยมีกิริยาอย่างไรอยู่ก็มีอย่างนั้นบางองค์ ชอบใช้คําพูดคําว่าวัสริวัตริเจ้าขนลอยแต่ยังไม่ได้บรรลุมรคนท่านก็พูดอย่างนั้นมาพอบรรลุมรคลแล้วท่านก็พูดอย่างนั้นพระเนรทั้งหลายก็สงสัยเอท่านองค์นี้ว่าสําเร็จอรหันแล้วทําไมจึงมาพูดคําหยาบเรื่องนี้ไปกราบทูลพระศาสดา พระองค์ก็ทรงรับรองว่าพระองค์นั้นสำเร็จอรหันแล้วจริงแต่ละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้คนนั้นแต่กิริยามารา ย, ยาทบางสิ่งบางอย่างละไม่ได้พระเนรทั้งหลายจึงได้หายสงสัยจึงได้แสดงความเคารพ ก, กับท่านเต็มที่ นี่แหละขึ้นพ่อว่าธรรมของจริงแล้วมันมีอันเดียวมันมันไม่ได้โฆษณาตัวเองถ้าหากว่าไปโฆษณาอย่างนั้นมันเป็นสองเป็นสามใบไม่จัดว่าเป็นธรรมอันเดียวดังนั้นแหละจุดหมายปลายทาง ของผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วให้รู้แจ้งด้วยตนเองขึ้นมาเมื่อขันธวิบากอันที่บุญกรรมตกแต่งให้มานี่มันหมดเขตมันลงขันธวิบากได้แตกดับลงดวงกิจของท่านผู้นั้นก็ เป็นอันว่าเข้าสู่นิพพานคือเข้าสู่ธรรมอันไม่แปลผันไปในพบร้อยพบใหญ่ต่อไปจิตของท่านผู้เสียนันนะ่ะไม่ไปแสวงหาที่เกิดไม่ต่อไปอีกหมายเขาว่าอย่างนั้นหยุดแล้วท่านึางเรียกว่าอารหันต์อรหันต์นี่แปลว่าหยุดหยุดจากการเกิดแก่เจ็บตาย หยุดจากความทุกข์ความโศก ส, ส่างๆแล้วจุดหมายปลายทางของะพุทธศาสนาอยู่ตรงนั้นดนั้นเราเป็นชาวพุทธขอให้พากันรู้จุดหมายปลายทางอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่บรรลุถึงปัณ น, นั้นก็ตาม แล้วเมื่อภาคเพียรพยายามไปให้ถูกทางเริ่มตั้งแต่ฝึกใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปนี่แหละถ้าว่าให้ตรงแท้ก็เริ่มแต่รักษาสินในบริสุทธิ์นี่ไปเรื่อยไปอย่างนั้นถ้าสินไม่บริสุทธิ์แล้วจะมาทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบเป็นหนึ่งลงไปไม่ได้เลย งนนี่ผู้ที่ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นนะก็ต้องย้อนมากรวดดูกายวาจาอันนี้เห็นเมื่อเห็นว่าบริสุทธิ์ทนไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรเช่นนี้แล้วมันก็เกิดปี ต, ติอิ่มใจขึ้นมาขั้นหนึ่ง ก็เป็นปัจจัยที่จะให้ภาวนาเพราะว่าศีนมันก็เมื่อเรารักษาให้บริสุทธิ์แล้วมันก็อบรมจิตทำจิตให้น้อมเข้าไปสู่ความสงบนั่นแหละศีนนี่นะถ้าเรารักษาให้เข้มงวดขวดขันจริงจังลงไปแล้วมันก็ทำให้จิตปรารถนาอยากจะ ตั้งอยู่ในความสงบ อ, อันผู้ไม่รักษาศีลนนหมายความว่ามันอยากเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นยยมันโกรธมันโมโหโทโสเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลกับสัตว์มันก็มีแต่ถุนเฉียวขึ้นมาอย่างนั้น เหตุดังนั้นน่ะก็รู้ได้เลยว่าปัญญายังตัดกระแสของกิเลสอันนั้นไม่ได้ยังถอนรากของความโกรธไม่ได้อืมนองนั้นเมื่อผู้ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วมันก็เพียรพยายามละความโกรธนั้นไปเรื่อยๆเพราะว่า เมื่อจิตใจมันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วหากไปเผลอมันโกรธขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ร้อนเลยอ่ะมนุษย์สึ่ว่าร้อนไม่เย็นแล้วความโกรธนะเช่นนี้จึงได้เบื่อหน่ายมันแล้วพอนีนะจึงหาทางขัดจัดมันเลยไป ถ้าผู้ใดยังทำใจให้สงบลงไปไม่ได้อย่างนี้นกิเลสต่างๆเกิดขึ้นมามันก็ไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่นะเพราะมันแฝงอยู่ด้วยตัณหาความอยากต่างๆดังนั้นเนะ่ยบุคคลบางคนบางกลุก่มจึงไม่ได้ตื่นตัวจึงไม่เห็นท่อของกิเลสเหล่านี้ เพราะว่ามันกับเหมือนกับเช่นเดียวกันกับปลาอยู่ในน้ำถึงแม่น้ำจะเย็นอยู่ยงั้นปลามันก็ไม่รู้สึกเย็นเกินประมาณมันก็อยู่สบายสบายแต่ถ้าคนเราอย่างนี้นะลงไปแช่อยู่ในน้ำนานๆเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้เลย มันต้องได้ขึ้นจากน้ำมาแน่นอนมันเย็ยนจัดนี่ความรู้สึกของจิตใจของสัตว์ทั้งหลายมันก็แตกต่างกันอย่างนี้แหละอย่างเช่นมนุษย์เรานะ่ะจะไปรับประทานของโสโรครก สกปรกอันเหมือนอย่างสัตว์สิ่งที่ได้ฉานบางอย่างพกเช่นนั้นก็ไม่ได้อีกเห็นสัตว์นั้นไปกินของสกปรกโสโกรกระสัอิสัยเอียนแต่สัตว์ตัวนั้นมันไม่ใสอิสัยเอียนเลยมันถืออาหารว่าเป็นอาหารอันโอชะของมันนี่มันแตกต่างกันอย่างนี้เลย ความรู้สึกแห่งจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนนะี่ยอันนี้ข้ออุปมาี้ชั้นใดก็เป็นเช่นนั้นนะ่ะจิตใจที่อาศัยอยู่ในขันหานี้เมื่อมันยังไม่เกิดปัญญายังไม่อบรมให้มันส ง, งบเช่นนี้มันก็ย่อมมองเห็นโรคเสียงกลิ่นรส เครื่องสัมผัสต่างๆว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจสมควรมีไว้ครอบครองืมก็เห็นไปอย่างนั้นเองจึงได้แสวงหาโรคเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกันในโลกอันนี้นะ <c oughs> เมื่อได้มาแล้วก็ชื่นชมยินดี ออืมหาได้พิจารณาลงไปว่ารูปเป็นต้นเหล่านั้นล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงนักปราชญ์ก้มีปัญญาอาศัยรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นอยู่แต่ไม่ติดอไม่คล้องพอได้อะไรมาแล้วพิจารณาของเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงแต่มันจําเป็นได้อาศัยมันอยู่เท่านั้นเอง ไม่ใช่เป็นของกิรังยั่งยืนอะไรก็พิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่คืออาหารผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยแก้เจ็บต่างๆหมู่นี้นะเมื่อได้ของเหล่านี้มาใหม่ๆก็ต้องพิจารณาให้เห็นลงไปว่ามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มันเป็นของแตกของดับเช่นนี้แล้วมันเป็นแต่เพียงสภาวะาธาเป็นาธาตุดินาธนาตุด้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่จะมายินดีขอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้นั่นแหละเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ถึงบริโภคอาศัยรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเหล่า น, นั้นอยู่จิตใจมันก็ไม่ติดไม่ค่้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี่แหละมันจะเป็นเหตุให้พ้นไปจากโรคสงสารอันนี้นะพอมาฝึ ก, กจิตให้รู้เท่ารูปทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งไกลทั้งใกลทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งสวยงามและไม่สวยงามพิจารณาให้เห็นเป็นสภาวะอันเดียวกันคือมีเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแจกดับไปเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะอย่าไปสำคัญว่ารูปนั้นสวยงามรูปนี้ขี้ร้ายอย่าให้ใจมันไปวิตกอย่างนั้นถ้าใจวิตกอย่างนั้นมันก็ ยินดีกับรูปอันสวยงามนั่นแหละวันนี้นะมันก็เบื่อหน่ายต่อรูปอันขี้ร้ายนั้นเมื่อจิตเราลำเอียงอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีทางจะเข้าสู่นิพพานได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ผู้ที่เข้าสู่นิพพานไม่ได้อย่างเราท่านทั้งหลาย ที่ยังเกิดอยู่ในโลกนี่นะมันก็เพราะเหตุนี้แหละไม่ฝึกสอนจิตใจให้สงบไม่ใช่ปัญญาสอนจิตให้รู้เห็นตามเป็นจริงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขนันธ์หน้านี่แล้วก็ไม่สอนจิตให้รู้เท่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอก ที่เป็นคู่กับตาหูจมูกปีนกายใจไม่ใช้ปัญญาพิจนาให้รู้เห็นตามเป็นจริงดังนั้นแหะมันถึงติดมันถึงข้องอยู่ในโลกสนิวัติอันนี้เมื่อมันข้องอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรก็มีแต่ร่องให้ท่ำควรอยู่เฉยไม่มีปัญญาจะแก้ไขได้เลย ก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปอยู่นั้นเนี่ยแต่บางคนนะ่ะเมื่อกิเลสมันทำใจเป็นทุกข์เดือดร้อนหลายก็กลายเป็นคนใจดำไปฆ่าผู้อื่นก็ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆก็ได้รักของเขาก็ได้เพราะว่าไม่เอ็นดูไม่สงสารเจ้าของเขา มันจะทุกข์จะร้อนอยางไ น, นก็ช่างมันเออก็จึงไปลักไปจี้ไปพ้นของผู้อื่นได้ลูกใครเมียใครผัวใครก็ไม่เลือกไอเช่นนี้ก็เพราะว่ามันจิตใจมันหนาแน่นไปด้วยกิเลสนั่นเองเลยการพูดการจากรบไม่ละมัดระวัง มันจะกระทบกระทั่งผู้อื่นในเดือดร้อนไม่ระวังแล้วนั่นแหละการที่จิตใจมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสแล้วมันก็แสดงออกอย่างนั้นเนี่ยการพูดโกหกผอกลมมันก็ไม่กลัวพอพูดไปแล้วมันก็เล้ยวไฟไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไร นี่แหละคนผู้หลงผู้เมาก็พูดออกไปแล้วบางสิ่งบางอย่างมันให้ผลปัจจุบันได้คำพูดนี้นะยอย่างว่าไปพูดเสียบแทนคนอื่นให้เจ็บใจเขาก็ใจดำเหมือนกันมันมีอาวุธอะไรซักออกมายิงปงตายเลยเพราะคำพูดนี่แหละมีเยอะแยะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังวาจาคำพูดแต่ต้องระวังใจนูนแหละความจริงนะวาจานี่เป็นแต่ผู้รับใช้ใจที่เฉเมื่อห้ามใจได้แล้วมันก็ห้ามวาจาได้อ่าก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยควรพากันพิสูจน์พิจารณาเรื่องเหมือนี้นะให้เสมอเสม อ, อะไร ถ้าไม่พิจารณาเสมอแล้วมันหลงแหละเพราะว่ามันยังละไม่ขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคดังกล่าวมานั้นจิตใจมันยังยึดถืออยู่แต่บางคราวนั่นนะ่ะมันก็สงบไปนะแต่สงบอยู่ด้วยความยึดถือเป็นอย่างนั้นขั้นพอมันเผลอตัวเท่านั้นแหละ มันก็แสดงความรักความชังออกมาจากความยึดถืออันนั้นเนี่ยแสดงความโกรธความเสียใจความครับแค้นใจออกมาในเวลาผิดหวังในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ ประกอบความภาคเพียรเข้าไปอย่าไปตรีตนตายก่อนใข่อย่างเช่นผู้คลองเรือนเห็นว่าตนนี้ยังนอนเบียดเสียดอยู่กับลูกกับเมียมันจะไปทําความเพียรละ ก, กิเลสได้อย่างไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เลยตามเลย เลยไม่สนใจภาวนาไม่ฝึกใจให้ส ง, งบเสียเลยเป็นนักบวชเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วได้อยู่ดีกินดีสบายแล้วก็ น, นึกว่าตนสบายแล้วอยู่อย่างนี้เรื่องอะไรไปตั้งทนทุกข์ทรมานข่มใจทำใจส ง, งบระงับอยู่นัาน ผู้ใด เ, เข้าใจอย่างนี้เข้าใจผิดนักบวชนะในเมื่อกิเลสยังไม่กำเริบขึ้นมามันก็สบายนั่นแหละมันสบายต่อเมื่อกิเลสมันกำเริบขึ้นมานั่นสินั่นะจะเห็นได้ว่ามันไม่สบายเลยจิตใจเดือดร้อนนะอืออะนั้นเป็นคารืร้หัดกุคลองเรือน ถ้าไม่ภาวนายับยั้งใจบ้างเลยอย่างนี้ราคะตัณหามันก็กำเริบเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ไปเล่นชู้จากกับเมียคนอื่นถ้าผู้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ไปเล่นชู้กับผัวคนอื่นไม่ยินดีพอใจกับสามีภรรยาตนโดยเฉพาะ นี่บุคคลผู้ไม่ฝึกสมาธิภาวนาผู้ใดฝึกนั่งสมาธิภาวนาทำใจสงบได้เป็นครั้งเป็นคราวมันก็บรรเทากิเลสยำหยาบอันนั้นลงได้เมื่อถ้ามีผัวมีเมียก่อจงรักภักดีต่อกันโดยตรงไม่ไปจงรักภักดีกับผู้อื่นเพราะ ทนภาวนากิเลสอันนั่นมันบรรเทาลงอยู่ราคาตันหานะ่ะบรรเทาลงแต่อย่างนั้นอย่ากลัวว่าราคาตันหานี่มันจะขาดจากกิจใจทันทีเลยผู้ภาวนาเนะ่ยยังก่อนเมื่ออินทรบารมียังไม่เต็มรอบเรามันยังถอนรากของมันออกไม่ได้หรอก ขออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่าจิตจะห่างเหินจากรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องกัมผัดเหล่านี้ขอให้ภาวนาทําใจสงบเป็นหนึ่งลงไปให้ดีวรทั้งห้านี่มันละ ง, งับดับไปเป็นครั้งเป็นคราวไปก็ยังดี มันจะไม่ได้ทำชั่วเพราะราคะตัณหานั้นแม้เป็นภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะถ้าเกียดคร้านภาวนาแล้วราคะตัณหามันครอบงมจิตใจมันก็ทำให้ประพพติดล่วงขวินัยอย่างร้แรงเช่นต้องอาบัตสังคาที่เศษปั้ง ท, ที่สุดก็ต้องอาบติปาราชิกไปอย่างนี้นะนี่ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้มีความภาพเพียนพยายามเพื่อกิตใจของตนให้เข้าถึงความสงบนั่นเอง